วันนี้เป็นวันประวารณาออกพรรษาพวกเราจำบรรษาพระสงฆ์จำพรรษาสามเดือนเพราะวันนี้เป็นวันวันออกพรรษาแล้วก็พระนัตาญาติโยมทุกท่านที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนเข้าพรรษาได้ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะงด สุราข้าพเจ้าจะงดอบายยมุขข้าพเจ้าจะงดบุหรีข้าพเจ้าจะทําบุญจะรักษาศีลทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระข้าพเจ้าจะสมาทานศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนปันนี้ครบครบวันนี้นะแต่ให้ถึงวันพุ่งนี้ซะก่อนนะถึงวันพุ่งนี้แปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่วันนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะ น, นั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตยาญาิโยมทุกท่านในเมื่อพวกเราตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาจะทําคุณงามความดีนะเมื่อเราทําคุณงามความดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะไม่ขาดตกบกพร่องนะเราก็ขอพรจากพระพุทธปฏิมานะพระพุทธอุโรมมงคล ต, ตามไม่จริงบุญกุศลของเราเนี่ยนะ อยู่ในจิตในใจของเราแล้วล่ะแต่เราก็นอน้อมลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกายวาจาใจของข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้า ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการด้วยเอินอันนี้ก็คือเราขอพรจากพระพุทธอุดมมงคลเพราะเราได้ทำคุณงามความดีแล้วเนี่ยเราจึงขอพรอ น, นะแต่ไม่ใช่ว่าปุกปับไปขอพรตั้งเก้าวัดตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรกินเหล้าหม้อฟัดหม้เวียงแล้วจะไปขอพรอจะได้พรได้อย่างไรนะ อันนี้เราต้องทำดีซะกอ่อนจึงขอพรพรจึงประสิทธิ์ประสาทให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นใจของเราก็จะได้รับความสงบเยือกเย็นเย็นอกเย็นใจอุ่นอกอุ่นใจกับคุณงามความดีที่พวกเราได้ทำมาไว้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็วันนี้เป็นวัน ตักบาตเทโวเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานตักบาตรรู้สึกว่าโอ้อบอุ่นอุ่นน้ำฟ้าขึ่งวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ท่านไปโปรดมารดาของพระองค์เมื่อพระพุทธองค์ปฏิสูตนได้เจ็ดวันพระมารดาของพระพุทธเจ้าวสวรรคตแล้วก็ไปเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นสวรรค์สันตุสิทนะ แต่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระศาสนาอบรมพี่น้องประชาชนชาวโลกพอสมควรแล้วพระองค์ขึ้นไปโปรดพระมารดาจำพรรษาสามเดือนในพรรษาหนึ่งไปนั่งโปรดพระมารดาอย่างเดียวค่ะวันนี้เป็นวันเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์เรีวยกว่าเป็นวันนี้เป็นวันตักบาตเทโวคือตักบาตเทวดาค่ะ เพราะนั้นพวกเราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านขึ้นไปโปรดพระมารดาของพระองค์นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าสายามัมภูรู้แจ้งโลกท่านก็ยังไม่ลืมไม่ลืมมารดาของท่านไม่ลืมพระมารดาของพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วอย่าลืมอย่าลืมบุญคุณของพ่อของแม่บรมีครูของพวกเราพระพุทธเจ้า ท่านได้ตัดรู้แล้วท่านยังไม่ลืมไม่ลืมพระมารดาของพระองค์ขนาดไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นรุสิษพระองค์จะได้ไปจำพรรษาทึ้งสามเดือนโปรดพระมารดาของพระองค์เพราะใ น, นวันนี้พระองค์พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสันสวรรค์จึงมีการตักบาตรเทโวตักบาตรพระพุทธเจ้าในวันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ไปเดี๋ยวพ่อจะนําสมาทานศิง วันนี้เป็นศีลพิเศษสักหน่อยนะศีลปิดท้ายรายการเมื่อกี้แต่วันนี้ศีลปิดท้ายรายการคือศีลวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาศีลวันนี้เป็นศีลสําคัญยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งสําหรับพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันจะต้องมีการปวารณาต่อกันคณะชาติญาติโยมก็เหมือนกัน วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งพวกเราใจได้รักษาศีลแล้วก็ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ใครรักษาศีลห้าก็ให้ศีลห้าแทๆ้ๆใครรักษาศีลโมสถหรือรักษาศีลแปดก็ให้เป็นศีลแปดแทๆ้ๆให้ตลอดอตลอดวันตลอดคืนวหงนืนกันอวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวต่อนนื่องไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีล นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาส่เลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาอิสาเะให้วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเป็นวันปวารณาออกพรรษาคณะสัายาติโยมทุก หมู่เราก็คงจะทราบบางคนก็ทราบแล้วคือเอาฟังผ่านไปถ้าคนยังไม่ทราบก็ควรจะเรียนรู้หรือรับรู้รับทราบว่าวันประวารณาออกพรรษาเนะี่ยคืออะไรคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีหลายร้อยหลายพันหลายแสนในยุคสมัยนั้นเหมือนกั น, ะนเะแต่ทีนี้พระสงฆ์ต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองคล้ายๆว่าความคิดเห็น ของตัวเองนั้นก็ประกอบไปด้วยบางทีก็มีทิฏฐิคือความเห็นไปอีกอย่างมานะคือความแข็งกระด้างก็เกิดขึ้นในหมู่พระสงฆ์เหมือนกันแต่ถ้าว่าพระสงฆ์องค์ใดที่ได้สําเร็จมรสําเร็จผลเป็นอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้อ่อนน้อมถอมอ่อมตนจะเป็นผู้ไม่เย่อหยิ่งจองหองเพราะท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วท่านรู้จักการวางตัวแต่พระสงฆ์บางองค์ ยังทะเยอทยานในลาบในยศในสนเสริญเยินยอของคู่ขนทั้งหลายทําอะไรก็นั่นนะเป็นพิษเป็นภัยไปหมดใครพูดอะไรใครแตะอะไรก็ไม่ได้โมโหโกธาให้แก่กันและกันทะเลาะวิวาทกันขึ้นในชุมชนของสงฆ์พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์บอกอืวันออกพรรษาเนี่ยควรจะปะวารณาตนเถิดพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระสงฆ์ วันออกพรรษาต้องประวรณาตัวเออประวรณาตัวก็นี่แหละสั้งคำอาวุโสประวาริมิตเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายวาวัดันตุมังอาเยสมั่นโตอนุกรรมปังอุปายะปัจจันโตปฏิกริษามิคือความแปลและความหมายก็ว่าผมขอประวรณากับสง์อย่างหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่ออินเนี่ยนะว่างั้นน่ยปะวรณากับสงข้าพเจ้าขอประวรณาในสง ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทาของผมที่ไม่ถูกต้องเห็นการกระทาคือกายก็ดีวาจาคำพูดของผมก็ดีหรือลังเกียจทางด้านจิตใจว่าผมเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความไม่ความเห็นไม่ถูกต้องก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายว่ากล่าตักเตือนผมได้ผมขอประวรนาตัวถ้าว่าพวกท่านพูดถูกข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติตามอย่างที่ข้าพเจ้าอาจจะเห็นผิดก็ได้ พูดผิดก็ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราได้ทําได้พูดไปแล้วอาจจะคิดไปแล้วอาจจะผิดเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายว่ากเก่าวตักเตือนข้าพเจ้าได้อันนี้ก็คือหัวหน้าแล้วองค์ที่สองกระปรณาอีกอย่างเก่านั่นแหละจนถึงองค์สุดท้ายเรียงคิวกันพูดเลยว่างั้นจะ่ไม่ให้ไม่ให้องค์อื่นพูดแทนต้องพูดได้ทุกองคกระปรณาตัวเพราะฉะนั้น เวลาเราประวรลนาตัวและวถือต่อไปภายภาคหน้าถ้าองค์ไหนทําไม่ถูกกิริยามไม่ถูกต้องทุกองก็บอกกล่าวกันได้ทีนี้บอกเออ่าท่านท่านทำอย่างนั้นมันไม่ถูกนะแล้วจะไปโมโหโกธาให้แก่เพื่อนก็ไม่ได้เพราะตัวเองประวัลนาแล้วเนี่ยประวันาให้หมูว่ากล่าวตักเตือนได้แล้วแต่ตามไม่จริงการว่ากล่าวตักเตือนนั้นผู้ว่ากล่าวก็ต้องมีมารยาทในการกล่าวไม่ใช่จะ ต่อหน้าคู่หน้าคนแล้วก็จะไปพูดฉีกหน้ากันอย่างนั้นไอ้คนที่คิดอย่างนั้นคือมากับปรับอบัติทุกกฎแก่องค์นั้นเหมือนกันเพราะไม่มีมารยาทการที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันก็ต้องมีจังหวะจะโขหมืองนงั้นแต่ต้องมีมารยาทในการบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนด้วยความหวังดีด้วยความตั้งใจด้วยความเมตตาอยากจะให้เพื่อนองคนั้นเป็นคนดอีอย่างนี้แหละ คือการปรวารณาต่อกันในพระสงฆ์ที่จะทําในวันนี้นะหลวงพ่อว่ากณนนัทายาตโยมทุกหมู่เหล่าก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานอยู่ในครอบครัวถ้าว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกทุกคนก็ดีปวารณาตัวนะในครอบครัวเออแม่เจ้าบ้านลูกๆเนะีพ่อเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางสิ่งไหนแม่บ้านก็ดีลูกก็ดี บอกพ่อด้วยนะพ่อจะได้ทั้งรวมระวังต่อไปเฮอลูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเอ้ยพ่อไปหากินเล่ามากเกินไปหรอมั่งอผมว่าน่ะอย่างเนี้ยผู้พ่อใจเออใช่เราจะได้ระวังนะลูกๆนะอย่างแม่ก็เหมือนกันอแม่ก็ประวรลนาตัวเออพ่อเอ้ยลูกเอ้ยถ้าว่าแม่ทําสิ่งไหนไม่ถูกที่เป็นหน้าอับอายขายหน้าก็ขอให้บอกแม่น่ะลูกน่ะพ่อบ้านน้ะ ถ้าว่าลูกเห็นแม่ทําไม่ถูกเอ้ยแม่จะ่าไปพูดมากเกินไปนะฟังฟัๆเลยแล้วพูดมากเกินไปนะแม่นะเป็นหน้าอับอายขายเอยลูกขายเต้านะแม่นะเออเอาตอนนี้ไปแม่จะได้ระวังสำรวจระวังต่อไปให้ลูกลูกก็เหมือนกันทีนี้เอ้ยพ่อแม่ถ้าว่าผมทําไม่ถูกขอสิ่งใดก็ตามบอกผมเลยนะพ่อแม่นะผมจะได้สํารวจระวังต่อไปพ่อแม่เอ้ยลูกเอ้ย เธอเนี่ยขี้เกียจอ่านหนังสือนะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเตรจนเกินไปนะลูกน ะ, ะต่อไปสิ่งเหล่านั้นให้งดกดลงสักหน่อยก็ดีนะลูกนะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าสามีภรรยาลูกหลานทุกคนประวรนาต่อกันหันหน้าขวาหากันมองเห็นผิดเห็นถูกต่อกันหลวงพ่อว่าครอบครัวนั่นก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้แล้วก็สำนักงานใดก็ตีเป็นครูเป็นพออโรงเรียน ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนประวรณาต่อกันตั้งแต่หัวหน้าครูโรงเรียนจนถึงผ่านโรงว่างั้นแหละหลวงพ่อว่านะจะเอาวันไหนเอาวันครูก็ได้หรือวันไหนวันหนึ่งที่เรากําหนดกนารหมเออผมเป็นผ อ, อรโรงเรียนมาบริหารจัดงานอยู่ที่นี่พวกท่านทั้งหลายเป็นครูน้อยเป็นรองหรือว่าเป็นผ่านโรงหนักใจกับผมเรื่องอะไร บอกกล่าวผมนะผมจะได้สํารวมระวังต่อไปครูน้อยเขาจะได้รวมกันแล้วก็จะครูเออพออรูเออสียก่อโกรธโมโหโกรธาเกินไปมั่งเขร่งเครียดเกินไปมั่งพวกผมอยู่ไม่เป็นุกเนี่ยออออครูน้อยก็จะได้ตักเตือนครูใหญ่พอ อ, อแต่พอนี้ต่อมาต่อไปกับครูน้อยก็ประวัฒนาขึ้นมา อ, อีกครูใหญ่ก็เออต้องทําการทํางานนะเราเป็นครูนะ จะทะเลทรายไม่ได้นะเวลาเข้าโรงเรียนก็นต้งองตั้งใจสอน เ, อเวลาเรียนอย่าไปหากินเหล่าอย่าไปหาเที่ยวให้รู้จักหน้าที่นะผมเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นพ อ, อถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําหน้าที่ไม่ถูกต้องผมก็หนักใจนะให้พวกท่านทั้งหลายช่วยๆกันหน้าที่คือหน้าที่การงานคือการงานให้ช่วยๆกันอ้ น, นี้หลวงพ่อว่าถ้าว่าครูบาอาจารย์โรงเรียนถ้าประวัลนาต่อกันก็จะเห็นความผิดความถูกกัน ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วาการอำเภอในทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละที่ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะถ้าถ่าว่าพวกเราประวัตินาต่อการหลวงพ่อว่าความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธองค์บัญญัติพระวินัยขึ้นมาแล้วให้พระสงฆ์ตรณากันก่อนบันออกพรรษาพระสงฆ์เนี่ยตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วพระสงฆ์ก็ทุกวัด อดูทั่วประเทศไทยต้องภา ว, วณากันทั้งนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นภาษาบาลีแต่แปลออกมาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทยาญาิโยมทุกหมู่เหล่าท่านนคําสอนและนําแนวทางที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพินัยกับพระสงฆ์เรานํามาใช้นํามาประยุกต์ใช้กับครอบครัวสํานักงานและการเป็นอยู่ของพวกเรา พวกเราก็คงจะประสบความสุขในกลุ่มของพวกเราหลวงพ่อว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่างั้นละเพราะเหตุไรเพราะทุกวันนี้เวลาพูดอะไรหันหลังพ่อหากันบางทีก็ตัวเองผิดกับพูดไปข้างๆคู่ๆไปอย่างงั้นแหละกลัวเสียเหลี่ยมกลัวเสียเปียกแต่ตาม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นการอยู่ด้วยกันถ้าผิดก็ต้องยอมผิดถ้าถูกก็ต้องว่าถูกตามเรื่องที่มันเป็นไปนั้นๆแต่ว่าทุกคนทําอย่างนั้นได้นะ แน่แปลว่าประเทศชาติบ้านเมืองกลุ่มของเราอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ร่มเย็นเป็นสุทวนหน้ากั น, นเพราะจะไม่มีกา ร, ราเาโอบแว่งกันนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้สวมขอ้อสอนในความพร้อมเพียงสมัคคีนะเออความพร้อมเพียงสมัคคีของสง์ก็เกิดจุความพร้อมเพียงสมัคคีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราก็มีความสุขถ้าแต่แย ก, กสมัคคีกันเมื่อไหรก็เมื่อนั้นล่ะ ความหายยะนาะหความจิบหายก็จะเข้ามาสู่ชุมชนของพวกเราเพราะฉะนั้นทาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องทานเนี่ยเป็นการยึดเหนี่ยวให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราไม่มีการให้ทานไม่มีการเสียสละนะ แต่ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ไม่มีน้ำใจต่อกันเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีน้ำใจต่อกั น, ล น, รร น, กนโลกในยุคนั้นชุมชนในกลุ่มนั้นบ้านในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นจะหาความพาสุกได้อย่างไรอย่างเวืองโคราชทุกวันเนี่ยช้ยภูมิโคราชที่น้ำท่วมถ้าว่าน้ำท่วมกว่ท่วมไม่มีใครสนใจไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปช่วยเหลือ พวกเราคิดดูสิว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับความยากลําบากขนาดไหนแต่ถ้าว่าพวกเราไปช่วยกันอาโอหงอาหารการบริโภคปีน้ําจิตน้ําใจบริษัททางร้านใหญ่ๆพอที่จะมีกำลังไปช่วยๆกันส่งเสริมเรื่องอา ห, าหงอาหารน้าดื่มอย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเขาก็จะได้รับความอบอุ่นเพราะเหตุอะไรเพราะน้าใจ พราะเมตตาทุกคนมีน้ําใจมีเมตตา ม, มีการเสียสละการทาบุญทําทานนี่แหละทานจําเป็นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเหงื่อยุคนั้นสมัยนี้ก็ต้องการการเสียสละของพี่น้องประชาชนทุกแห่งผลสรุปแล้วนี่แหละทานะคือทานคำนี้แนหะพราะพุทธเจ้าบัญญัติให้แก่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้มีน้ําใจให้มีทานให้มีการเสียสละต่อกัน แต่การทานทางนี้ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่จะให้ทั้งหมดไม่ใช่เนีเรามีร้อยบาทเนี่ยเราทานบริจาคทาน50สตะตังได้ไหมเท่ามีแสนบาทก็ไล่ไปเรื่อยทีลทีละ50าสตะตังเป็นเท่าไหร่ถ้ามีร้อยล้านพันล้านเสียสละออกมาขนาดนั้นได้ไหมเสียงเหล่านี้แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียสละในเวลาคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าผู้รวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็น ก็มองกันไปดูกันไปแต่เมื่อเขาไหนบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายขับขันทุกอยากลำบากพวกเราก็จะต้องได้ช่วยกันอันนี้ก็คือฐานะศีลก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบหลายคนคนหลายคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎอย่าฆ่ากันนะอย่าขาโมยกันนะอย่าให้เคารพสิทธิ์ชงกันละกันในสามีภรรยาลูกหลานของใครของเรานะ อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงกันนะอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปดื่มสุรานะสิ่งเหล่านี้พ ร, พระพุทธเจ้าท่านสอนคือปานาติปา่าคือไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าพวกเราคิดฆ่ากันพวกคนนี้ก็คิดฆ่ากลุมกก่มนั้นคนนั้นก็คิดฆ่ากลุ่มนี้คนนี้ก็คิดฆ่าพรรคพวกคนนั้นคนนี้ต่างคนก็ต่างมีพรรคมีพวกคนนี้สุดกดิต่างคนก็ตามเตรียมสตราอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่ไว้ใจกันที ไปที่ไหนพอเห็นกันแล้วกันนะคึ้งใส่กันเหมือนปลากัดเลยท่นห่เหมือนกับหมาเห็นหมาอย่างนั้นแหละหญิงเขี่ยวสิงฟันต่อกันพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกได้หรอถ้าคนคิดฆ่ากันอย่างนั้นถ้าไปที่ไหนมีแต่ความเอือเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีการเฉลือเผือแผ่กันพูดจากันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันมีอะไรก็ปรึกษาปารบกันมีน้ำใจต่อกัน ในกลุ่มนั้นชุมชนนั้นประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุไรเพราะพวกเราเห็นกันด้วยน้ําจิตอยู่ด้วยกันด้วยน้ําจิตน้ําใจนะข้อที่สองอธินาทานถ้าพวกเราไปขโมยของเขาอขโมยสิ่งของของเขารองเท้าของเขาอย่างนี้ก็เดือดร้อนละ่ะตะขโมยรถราของเขาอีกขโมยสิ่งของของเขาในบ้านในเรือนอีกถูกงัดแงะไปอีกจนะเนี่ย เดือดร้อนไปอีกเพ้อเพอยังขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถยอีกถ้าเป็นยังไงเขามาทำอย่างนั้นให้กับเราละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเขาเรียเขามาจับพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้แ่ะคือขโมยขโมยไม่ใช่ธรรมดานะออมันมีมากเหลือเกินออขโมยกันขนาดเงินอยู่ในธนาคารอย่างขโมยกันได้กันได้ ปลอมแปลงเอกสองรเอกสารเข้าไป hey, าน่ะอันนี้ก็คือขโมยกันทั้งนั้นแหละคือเขาไม่ยินดีที่จะให้ตัวเองไปเบียดบังเอาของเขานะจากว่าเป็นประเภทขโมยนะเ hey, <Hey, S 2> พราะนั้นเขาขโมยเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปขโมยเขาละ่ะเช่นเดียวกัน น, ะนี่แหละพราะพระ大爷ญาณญาณสินดูดูแล้วมันไม่ใช่ไกลจากพวกเรานะใกล้ๆพวกเราเนี่แหละคือกิริยาการ กับกิริยาในการกระทําของเราการเคลื่อนไหวของพวกเราในเรื่องศินนะข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราวรมณีนสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ําเขาละ่ะเขามีความรู้สึกอย่างไงเสียใจย เ, เพราะว่าคนอื่นมาเหยียบย่ํำทํำร้ายตระกูลของเราครอบครัว ข, ของเราเนี่ยแหละ ต่างคนก็ต่างมีเพราะนั้นให้เคารพสิทซึ่งกันและกันอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้อที่สี่อข้อที่สี่บุษาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจเพราะเขาโกหกเราหลอกลวงเราต้มตุนเรา เล้มันมีเยอะเหลือเกินการต้มตุนหลอกลวงทุกวันเี้ของปลงของปลอมอะไรๆมีมากมายแล้วมีความรู้สึกอย่างไงถ้าเขามาทําให้แก่เราถ้าเราไปทําให้แก่เขาก็เช่นเดียวกันสรุปแล้วก็คือศินของพระพุทธเจ้าเขาเราเราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอย่าทําให้แก่เขา เขาทำให้แกเราเราก็ทุกใจถ้าเราทำให้แก่เขาเขาก็ทุกใจเช่นเดียวกันอันนี้คือสิงสิลของพระพุทธเจ้าพวกเราคิดดูให้ดีนะนณะทัยญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะเอย่างทุกวันเนี่ยขายยาบ่งยามกาคัญชายาฝิ่นก็เหมือนกันเราไปไปหาความสุขกับคนอื่นที่เขาทุกเนี่ยมันคิดไม่ถูกนะถ้าว่าเราไปขายยาบ้าให้ลูกให้หลานของเขา อถ้าเขาไปดื่มไปไปเสพยาเสพติดเข้าไปอย่างเนี้ย เ, เขาติดยาเสพติดแล้วเป็นยังไงเราได้เงินมาก็จริงอยู่เราได้เงินแต่เขาเป็นความทุกข์ของเขาถ้ามาคิดใส่ตัวเองด้วยี่ยเองลูกหลานของเราติดยาเสพติดอย่างเนี้ยอบริษัทบริวารของเราติดยาเสพติดอย่างเนี้ยพวกเราคิดดูก็แล้วกันจะทุกข์ขนาดไหนเพราะฉะนั้น สรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพราะนั้นให้สํารวมให้ระวังสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าอย่าทำอย่าคิคิตทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่เดือดร้อนกับใครละกับกลุ่มของพวกเราเนี่แหละเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทาญาทโยมโลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินเสียง ในสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของอวัดป่านาคําน้อยของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินขอร้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราควรไม่ทําไม่ควรทําให้คนอื่นเขาถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เหร อ, เ, อเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะโดยเฉพาะยังยิ่งผู้ใหญ่พ่อแม่ แหมปู่ย่าตายายแนะนาสั่งสอนลูกหลานกาลูกหลานผู้ใดก็ดีที่ไม่ดีแหมที่ออกนอกลูก่นอกทางกขบอกบอกกล่าวตักเตือนเอยอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกหลานเอ้ยอยู่ด้วยกันแหมต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนะลูกหลานเนะ้อนี่แหละผู้ใหญ่ต้องบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านกรร น, นัน อ, อ, อตอครูบาอาจารย์คล้ายๆว่าเป็นหัวสมองในชุมชนในหมู่บ้าน ควรจะบอกกล่าวลูกหลานของเราที่ออกนอกลู่นอกทางหลวงพ่อว่าเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันมีการว่ากล่าวตักเตือนกันอย่างที่หลวงพอว่อประวัตานาอย่างนั้นนะอ่ะ<ม>นี่แหละอันนี้ข้อศินข้อที่ห้าสุราเมรยามัดชักประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเสียหาย เ, เสียหายทาความชั่ว ได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้และลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เกโกงหกต้มตุตนหลอกลวงใครก็ได้เพราะคนขาดสติแต่มันขาดสติจริง ๆ, ๆ, ๆมันก็ทําไม่ได้นะแต่พอมันตึงๆเนี่ยพอมันก้าวๆบ้าๆบาๆเนี่ยมันทําได้เพราะงั้นแตอแต่มันทํามันเสียหายไม่เสียหายเพตอนนั้นดื่มสุราลนะี่ไม่เป็นผลดีนะถึงพวกเราท่านทั้งหลายในพรรษานี้ ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าไปเจ้าจะงดบุหรีแห่งดเหล้านะแห่งดเหล้างดบุหรีในพรรษาเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วให้พวกเรานั่งนั่งคิดทบทวนดูในพรรษานี้เรายังหยุดได้ออกพรรษาแล้วเราจะกินอีกเหรอมันเป็นผลดียังไงมันเป็นผลเสียอย่างไรเราควรน่าจะงดไปเลยนะเนี่ควรจะตั้งจิตอธิษฐานให้งดไปเลยในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทํา อย่าเอาเข้าหมายอีกนะเราต้องการความดีไม่ใช่เหรอสิ่งที่มันเสียหายเราอย่าไปทำนะทำแต่สิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นการดื่มสุราและเมรัยเนี่ย อ, อมันทิพไายนะในครั้งพุทธการนยหลวงพ่อจะเป็นยกเป็นชาดกให้ฟังนะทีนี้ในครั้งพุทธการหลานอนาถามติกาเศรษฐีคือพี่น้องของอนาธามติกะเศรษฐีอนาถาบินดีเป็นผู้อุปถัมภ์ อุปถากพระพุทธเจ้านะเป็นอุปถากใหญ่ว่างั้นเถอะพระ ส, สง์ไปฉันวันละห้าร้อยห้าร้อยหร้อยในบ้านอนาณาถาเมดิกาเทศรษฐีบางทีก็มากกว่านั้นแปลว่าอาณาถาเมติเนี่ยรับไม่อัน้นทําบุญทําทานแต่ละวันแต่ทีนี้มรดกท่านก็แบ่งให้พี่ของท่านให้น้องของท่านาก็เท่าๆกันเพราะเป็นมรดกนะแต่ว่าพวกพี่น้องก็ได้ลูกมาเถ เป็นลูกพังก็คือหลานของอนาถามิติกาเษถีนั่นแหลพอพ่อเขาตายในตอนนไม่งอกไม่เงยอย่างนั้นจะเอาเงินไปถล่มทลายเล่นงนั้นกินเหล้าเมายาเที่ยวสมมภเวเทเมาเกินเหล้าเมายาสุรานารีเอคนรวยนะี่ะไม่คิดว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงพอใ น, นสุดล่มจมจีบหายพอล่มจมจิบหายตอ น, นี้ก็ก็มาขอเงินจากอนาถาปิติกาเสถีลุ ง, ลงผมขอเงินโดยครัศอา ผมขอเงินผมหมดเงินแล้วอาณาถาไม่ดีนี่ก็เอาให้เดีเอาให้ไปไปเอาไปทำมาค้าขายเนอะเอาให้ไปยืมนะพอมาว่าขออีกอา้าวทำไมไม่เอามาให้แล้วยืมครั้งที่สองที่สามมาไม่ได้ได้เนี่ยมันทำยังไงวะพอในสุดมันไปกินเหล้ามันไปเที่ยวกินเหล้าโอ้ไม่ได้พอมันเข้ามาทีเด็กก็บอกวรีวารลูกน้องเลย ถ้าไอ้นี้เขามาเมื่ อ, อไรใส่คาเข้าไปก่อนไม่มีกล่องแขนใช่ไหมเออไม่มีเครื่องใส่แขนใส่แขนออกไปเขาใส่คาเลยสวมใส่คาเลยล็อกคอเลยกัดึงลากออกไปแบบนั้นเนี่ยประจารมันอลไรมันเป็นยังไงแต่อันนี้มันชั่วเนี่ยเลี้ยงมันไปรู้ ก, กี่ครั้งแล้วเงินเอาให้มันเท่าไหร่มันยังไปกินเหล้าอีกไปอ้อไป เ, เพราะในสุดเขาก็เลยอ <c oughs> นาถาพอดีกันให้ลูกน้องใส่คือคา หลากคอออกไปข้างนอกอย่ามาอีกนะบัดเนี้ยนถ้าคืนมาอีกจะลงโทษหนักกว่านี้ฮงจากนั้นมันก็เลยกลัวเลยพอเสร็จแล้วอาณาถาปุติกะเศรษฐีก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าเอมไปกราบพระุทธยาอ้อมเศรษฐีทําไมมาผิดเวลาวันเนี้ไงเศรษฐีเราบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยแหละมีภาร ะ, ะกับปลานเอมลูกพี่ชายอยู่เพราะมันกินเหล้า มาเล่นกา ร, รนานพนันกภฬยให้เงินไม่รู้ว่ากี่ครั้งผลที่สุดหนักขึ้นไปหน้าเลยข้าพระองค์เลยจัดการแค่วัน น, นี้เองพระพุทธเจาวว้าบอกว่านี่นะคนที่ดื่มสุราเนี่นะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่โตนี่<ม>พราะติมันขาดแนี่ยมันลอยแล้ะสมัยก่อนเราก็เคยเลี้ยงหมดแล้วพระพุทธเจ้าอะสมัยก่อนเราเคยเลี้ยงมันแล้วเลี้ยงพวกดื่มสุราเนี่ยมันไม่โตหรอก มันไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกเพราะมันคนเมามันคนขาดสติมันจะเป็นบ้าไปแล้วลักษณะอย่างนั้นแหะอาณาถาเมติกับพวกบริวารเรียกราบทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยในครั้งไหนที่พระพุทธเจ้าเลี้ยงคนดื่มชุราเนี่พระเจ้าขา่าพระพุทธองค์บอกว่าในสมัยหนึ่งเราเป็นเศรษฐีอยู่กรุงพาราณสีเราตั้งโรงทานไว้หกโรง คือประตูเมืองสี่ประตูทางทิศเหนือตะวันตกตะวันออกทางทิศใต้มีประตูเมืองเราไปตั้งโรงทานเวลาคนเดินทางผ่านมาหิวหิวน้ำหิวข้าวเรากดเลี้ยงเขาในสมัยนักปกครองจะไม่มีตลงตลาดอย่างทุกวันนี้คือคนเดินทางมาก็เลี้ยงเขาอยู่ในกลางเมืองอีกถ้าเดินเข้ามาในเมืองหิวอาหารออาเศรษฐีก็เลี้ยงสรุปแล้วใช้ใจ่ายวันละหกแสนหกแสนกับหาปณะ เศษฐีท่เนี่ยทีนี้ท่านก็ทําบุญทําทานทําบุญทําทานผลในสุดท่านก็เลยตายทีนี่พอตายท่านก็ทําบุญอายุไขัยของท่านจบอายุขของท่า น, าขข ท, านท่านก็เลยตายตายเพราะท่านก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์ทีนี่เป็นพระอินทร์<ม> อ, อยู่ชั้นสวรรค์เพราะอเนกสงทานเ น, นี่ยอเนกสงการทำบุญทําทานที่ต้องส่งเป็นสูงที่สุดประกาน่ะอเนกสงทําทานจากนั้นเป็นพระอินทร์ทีเลยก็มอบให้ลูกชายอ คนโตนี่แหละลูกชายคนเดียวอีกต่างหากว่างั้นแต่ให้ดูแลมรดกนะลูกนาะแต่ขณะที่พ่อยังอยู่นั่นก็ไม่เอาถานอยู่แล้วงั้นแออผู้พ่อแนะนําให้ทําบุญทําทานโอ้พ่อนี่ยเข็นแล้วเข็นอีกบอกแล้วบอกอีกอแต่หมกมุ่นไปในการพ น, นัน เ, เที่ยวกับมูกับเพื่อนกินเหล้าเมายาผลในสุดพอพ่อตายเธอเองเป็นเจ้าของสมบัตินี่ ทั้งที่จะส่งเสริมโรงทานท่ากับสร้างอศาลาบักใหญ่มีวงดนตรีมาทุกวันเออเอาเล่าเอาอยามาเลี้ยงสนุกสนานเพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยเออพราะกินเขา้าคนที่เปรา ะ, ะก็มีท่านี่หรือยักษ์อกเอาทรัพย์อพวกคนเมาเนะ่ยพอในสุดเศรษฐีเนี่ยไม่นานเกลี้ยงเลยว่างั้นเถิดเออหมดทรัพย์ท่านี่พราหมดทรัพย์ท่นี่กัไปหาใครก็ไม่ได้ท่นี่พอในสุดกับเศรษีตกทุกข์กท่นี่ คนที่สุดจ ะ, ะหาขอทานกินพอหาขอทานกินพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เลยมองดูลูกโอ้ลูกลูกของเราหนอลูกเนอขนาดเป็นพระอินทร์ท่านยังคิดถึงลูกของท่านน ะ, เ, ะเราจะช่วยมันยังได้อย่างไรเนอลูกเ อ, เอ้เราก็สมบัติมากมายมหาศาลแต่ไม่รู้จักประมาณในการใช้หมดจริงๆเนี่ย จ, จากนั้นพระอินทร์ก็เลยลงมาลงมาแสดงตนให้ปรากฏบว่ า, วาลูกเอ้ยนี่คือพ่อนี่นะ เดี๋ยวนี้ขึ้นไปอยู่สวรรค์อชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์เห็นลูกตกกระทำลําบากก็อดไม่ได้เพราะสงสารนี่คือลูกอ่ะเพราะนั้นพ่อเน่ยจะให้หม่อใบหนึ่งนะลูกนะเออเาหม่อใบหนึ่งให้ถ้าว่าลูกตกทุกขเมื่อไหร่ลูกก็ให้ล้วงเอาเงินในหม่อเนี่ยเอามาใช้มาจ่ายนะลูกนะพ่อด้วยความเมตตาของพ่อพ่อจะให้พรเหมือนกัน พระอินก็เลยประทานหม้อให้ใบหนึ่งเหมือนนแหมจากนั้นกับไอ้ขี้เหล้าเนี่ยก็จะหยุดะนะลูกนะเรื่องเหล้านะถ้า แ, แกได้เห็นโทษแบบนี้เพราะมันตกทุกข์ระยากมันลําบากขนาดไหนเหมืออกันหยุดบุหรี่ไอ้หยุดเหล้าเั้นอนกันแตไม่กินเหล้าพอต่อมาต่อมาเงินมันได้ง่ายใช่ไหล้วงเอามาเท่าไหร่กระจายได้ล้วงเอามาเท่าไหร่กระจายได้เออต่อไปก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเืย พอดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่กินเหล้าเมายาปูเก่ากันมั้ยเข้ามาประโล่ออีกไปงั้นแต่เออคือว่าฐานไฟที่มันมันมอดไปแล้วเน่ะพอเอาไฟติดหน่อยเดียวมันก็ติดเร็วดแท่เลยเพราะฐานเก่าว่างั้นแตะเอาไปมาก็เข้ามาอยิ่งหล่อเก่าว่างั้นแต่เอากินเหล้าเมายาในสมุนไพรเทมาก็คงไม่หนักขนาดเก่าหน่ะแต่มันกินเหล้าทเลยเออพอที่สุดคนกินเหล้าคิดดูก็แล้วกันเลย คนกินเหล้ากินเหล้าเที่ยวไปเที่ยวมาพอในสุดพอกินเหล้าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะเล่ น, นลกันโดนหม้อหลงนั้นเล่นอยู่แล้วทีนี้แม้ทั้งที่หมอ้อหลกนั้นเป็นหมอ้อวิเศษเช่นั้นแหบบละแอบล้วงเอาเงินเมื่ อ, อไหรก็ได้พอได้กินเหล้าเมาคนมาคนขาดสติเด้ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรมันไม่รู้เพราะมันขาดสติเนี่ย อางนั้นก็โยนหม้อเล่นก็โยนกันรับได้โยนกันเล็ดเอาไปมาก็โยนสูงขึ้นเรื่อยพอในสุดก็หลุดมือตกพวกลงมาซะหม้อก็เลยแตกแตกได้ไม่รู้จะล้วงหาเงินที่ไหนละบ้านพอในสุดก็เลยเข้าอิหลอบเก่าหาขอทานกินอย่างเก่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่านี่แหละอน า, ามายมรดิกาเศรษฐีไอคนชั่วเนี่ยถึงจะเลี้ยงยังไงมันก็ไม่งอกไม่ เ, ยเอยถึงจะ เจตนาดีกับเขาขนาดไหนเอียก็เถอะมันเลี้ยงไม่โตวพวกนี้เพราะเหตุอะไรเพราะมันมันขาดจติตเนอมันตั้งตัวไม่ได้เลี้ยงคนชัวน่วเพราะฉะนั้นปล่อยไปตามยถากรรมจะดีกว่าเนีปล่อยไปตามยถากรรมเขาซะเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช่ไเมตตากรุณามุติตาอุเปิขา อุปเปกขาคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นถึงคราววิบัติเนะพราะฉะนั้นท่านช่วยไม่ได้จริงๆท่านก็ต้องวางอุปเปกขาเนะพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะได้ยินหลวงพ่อพูดเนะนี่ยนี่อันนี้หลวงพ่อนำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้กนัตถาญาตรโยมลูกหลานเพื่อเป็นการศึกษานะถึงเราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะถ้าเราไม่ตั้งใจถ้าเรา ทําตนอย่างนั้นมันไปแนวโน้มลักษณะอย่างนั้นไม่เพื่ออะไรเพราะว่าเราทําตัวอย่างนั้นวันนั้นให้พวกเรามีศีลมีธรรมคิริยามารยาทให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําที่พระพุทธเจ้าที่วันนี้นะเป็นวันออ ก, กพรรษาเพราะพุทธเจ้าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพระมารดาของพระ อ, องค์เห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกขนาดนั้น ท่านยังไม่ลืมพระมาราของท่านท่านยังไปโปรดเสียสลัดทั้งสามเดือนไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันนี้ท่านก็โปรดสวดท่านแสดงอภิธรรมพระอภิธรรมคือเรื่องกุศลธรรมะกุศลาธรรมะให้โยมมาราของพระองค์ได้รับฟังจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จลงมาวันนี้ ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลืมพระมารดาของพระองค์พระบิดาไม่ต้องพูดถึงนะพระบิดาอยู่ในกรุงกบินลพัฒไปเทศครั้งหนึ่งได้สําเร็จพระโสดาไปเทศครั้งที่สองพระบิดาได้สําเร็จเป็นพระอนาคาพอไปครั้งที่สามจวนจะสวรรคตพระองค์กับพระอานน์พระราหุลเข้าไปโปรดได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าจุดโทตนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ก่อนที่จะสวรรคตรปรินิพานเลยแบบนั้นนี่แหละคือพระบิดาของพระพุทธญาณเพราะฉะนั้นเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ถึงพ่อแม่จะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรพวกเราในฐานะโลกต้องรับหูหลับตาฟังและก็ช่วยบิดามารดาของพวกเรานั่นแหะจะเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นมงคลชีวิตอีกต่างหากถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้องนะ น, นั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนักนักจารย์ญาติโยมที่จะยินสถานีวิทยุของหลวงพ่อเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วก็ให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ยตายทุกคนหลวงพ่อกําลังพูดหลวงพ่อกำไม่คิดว่าจะอยู่ช่วงฟ้าดินสลายตายเหมือนกันกันกบลูกกับหลานกับญาติกับโยมทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะตายนั่น ให้พวกเราสังสงคุณงามความดีเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาโคดคว้าดูแล้วตันว่าตายแล้วไม่สูนนอะตายแล้วเกิดอีกแต่ถ้าตายแล้วสูนะไม่มีผีหรอกเนีที่มันมีผีหลอกคนอยู่ทุกวันที่พวกเรากลนะัวเนอะพราะตายแล้วมันไม่เป็นผีเน่บางทีก็ไปเกิดเลยบางทุนก็ไปสู่สวรรค์อ่าบางทีก็ไปแล้วไม่รู้ทางจะไปแต่ชุ่มๆซ้ำๆเฮ้ยกุมกุกมปับให้พวกเราได้เห็นเป็นผีเนะนี่ยนี่แหละคือวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกล ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกพราะพระ เ, เจ้าท่านบอกอย่างนั้นพราะนั้นขอให้พวกเราคนไ ท, ทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะก่อนที่จะถึงวันนั้นนะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำอย่าคิดอย่าพูดทําแต่คุณงามควา ม, วามดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุขตลอดคิดขึ้นมาเวลาใดใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุข เมื่อเท่าแก่ชรลามาจิตใจของเราก็มีลหลักยึดคือยึดพระพุทธเจา้ายึดพระธรรมยึดพระสงฆ์ยึดคุณงามความดียึดศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจา้าใจของเราก็อบอุ่นนะเมื่อใจขาดไปเมื่อไหร่พวกเราก็จะได้ไปสู่สุขติในปรโลกภายภาคหน้านะิปุญญาณิปรโลกะสมิงปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโหนกหน้านะ ดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะวันนี้ได้ยินการบอกกล่าวแนะนำของหลวงพ่อถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันปวารณาออกพรรษาเป็นอย่างไงรหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วน ะ, ะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะรับพรทุกๆท่าน